สบายก็เป็นเวทนาไม่สบายก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สังขารก็คือปรุงแตง่งจิตใจของคนปรุงแต่งใจของคนวิญญาณก็คือรู้รู้อารมณ์ต่างๆนี่คือขันห้าย่อแล้วก็วเหลือสองคือรูปกับนามรูปกับนามร่างกายทั้งหมดเป็นรูปใจเป็นนามในรวมความแล้วอารมณ์ของอิปัตตนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือกายกับใจ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 มีความเพียเพรเผาเกลทะร้อนทั่วคือตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆว่ายืนเนาะยืนนะแต่ใจหลอกๆๆไปชิ้เรื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจต้องรู้อยู่ที่ร่างกายของเรานี่แหละไม่ออกไปด้วยอาตาปีมีความเพียเพรเผาเกลทดร้อนทั่วคือตั้งใจทำสองสติมามีสติสติแปลว่ารู้ระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนชิดก็รู้ตัวอยู่ที่ว่ากำลังยืนเนาะ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 ประสาทหูเกิดขึ้นก็คือใจนั่นเองแหละโยมที่ได้ยินนี่ใจได้ยินไม่ใช่หูนะอา้าว้าโยมตอบ่เฮ้ยหูเท่านั้นแหละทาไมมีหูมันจะได้ยินเลยอะโยมก็อาจจะคิดคนตายใหม่ๆหหูมีใช่มยโยมมีหูมีเนี่ยมอวนซ้นนี่ไปเป็นลดน้ำพระไปลดน้ำย่คุณสุขมะอะทรรมาจาย์วัดหงะอะหูยังมีอยู่แต่ท่านไม่ได้ยินหรอกเพราะท่านตายแล้วขาดในขาดใจ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 ก็มื่ถูกแล้วมันก็หมดปัญหาแล้วทีนี้ที่เราจะไม่ถูกไม่มีอะไรี่ยมันพ้นถูกแล้วนะกําหนดถูกแล้วนี่อา้าวนี่ว่าถึงว่าถึงเสียงทีนี้ถ้าเรานั่งละ่ะเรานั่งกําหนดพองน้อยุบหนอละ่ะอา้าวทีนี้ไม่เดินแล้วตอนนี้นั่งแล้วถูกไหมกําหนดท้องพองน้อยุบหนอเนี่ยถูกอา้าวถ้าเราจะว่านั่งหนอนั่งหนอถูกไหมถูกทําไมจึงถูกก็เพราะ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 เมื่อถูกคันหน้าก็เป็นอะไรใช้ได้อ่านี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่นั่งพองน้อยุบน้อยพองน้องนอถูกขันหน้าไม่ถูกเมื่อถูกขันหน้ามันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วอ่าทีนี้อาการของกายนอมไปโดยอาการใดเมื่อก็ถูกแล้วอืมจะนอนไปท่านไหนเราก็รู้อยู่แล้วทีนี้ไม่ภาวนาล่ะจะถูกไหมไม่ต้องภาวนาและนุ่งอยู่เฉยๆเนี่ย พองผองทองยุอมือคําเล่นดูนะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นทำไมไม่เป็นก็เพราะไม่ได้ภาวานาทิ้งบริกรรมไม่ได้อในหลักต้องมีปริกรรมมภาวนาเมื่อมีบริกรรมก็ต้องมีอุปจารณ์บริกรรมมภาวนาอุปจาระภานาอัปปนาภาณะท่านจะว่าไว้ทาไมต้องบริกรรมมาเอาง่ายๆ ย, ย่างโยมนี่แหละเดินไป ตามถนนหุนทางไปเห็นรถเห็นลาก็เห็นมิถุนกระถางไม่ไม่เป็นเอาโยมได้ดอกกุหลาบสวยๆ ส, ย ส, ยสีแดงงามโยมก็ดูแหนดอกไม้นี่สวยเหลือเกินนะไปดูดอกอะไรทิพิปหรือดอกอะไรที่จากเยอร ม, มันจกากไรโนนมาเราเห็นว่ามันงามแล้วเราก็ดูโยมไปดูตลาดตลาดนัดไม่มีนกงามๆมีอะไรสวยๆไปดูไปจังดูโนนดูนี่เลย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 ภาวนาว่ายัางไรก็เห็นเนาเห็นเนาไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานไม่เป็นเพราะเหไรเพราะไม่มีปริกรรมมาภาวนาาก็ดูด้วยอะไรดูด้วยโมหะดูด้วยทิฏฐิดูด้วยโลภะดูด้วยวิตกวิจารเขาเรียกว่าญาณคติธรรมคล้ายตัวปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญ า, าทีนี้ตาหูได้ยินเสียงตีระฆังแป้งเต็งเต็งเ ง, งเราฟังเฉยเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็น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 ขนานี้โยเ อ, อ้าสมมติโยอเอากล้วยกล้วยน้าว้าเข้าไปในปากโยเชี้ยวหนอะเคี้ยวหนอะไม่เชี้ยวเป็นกรรมฐาน ไ, ไหมไอ้ไม่กำหนดเป็นไหมไม่เป็นอ่ะโยเคี้ยวโยมทานข้าวทุกวันโด น, นเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเออเราก็รู้อยู่นี่นนะว่ารสอาหารมันเป็นยังไงอันนี้รสไก่ย่างมันอร่อยแล้วก็รู้ไกย่ ย, าาก ย, ย่างเข้าเหนียวเปลือข้าปลาคลุยเนี่ยหรือข้าวโอชาเนี่ยข้าวเหนียวาากัเจ้าผสมกัน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 ิริยาบทใหญ่ิริยาบทใหญ่ไดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้กำหนดละเอียดลงไปถึง4 2อย่างเห็นไหมเอาลงของปัญนาที่ถูกต้องที่สุดน่ะ22ข้อ ห, หมดในละเอียดเข้าไปยึดลงไปเลยอลองนึกดูสิ22ข้อนั้มเป็นอะไรบ้างน่ะพิษ ก, กันเตปฏิ ก, กันเตใช่ไหม่ะให้กำหนดหมดเลยละเอียดหมดเลยในลักษณะของรูปเนี่ย